Thank you. ที่ปฏิบัติธรรมก็คือมาอันนี้มันทําให้ทําไงอ่ะตื่นมาแล้วมันจะมีง่วงตื่นมาแล้วก็ปกติคือปฏิบัติ ท, ทําเพื่อให้เขา้าพบถึงความปกติของชีวิตนี่ใหกิเลสลบกวนทีแรกก็จะว่าเอ๊ะมันเป็นธรรมชาตินะมั่นใจเลยว่าธรรมชาติไม่ใช่ความเผลอนะ คือปฏิบัติทำไม่ให้มีอะไรที่คิดว่ามันเป็นความเผลอเราไม่ได้ตั้งใจจะหลักมันแต่หลักเองไม่ได้ตั้งใจคิดมันแว บ, บไปเนี่ยคือให้รู้เท่าทันมันทุกอันจนกระทั่งว่ามันมันไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นเพราะความเผลอเรา นนคนที่เผลอบ่อยๆเผลอมากๆก็คือความม่วงนี่แหละความม่วงมัน่วงเผลอม่วงบ่อยๆเนี่ยยัยมันเผลอเผลอม่วงหรือเผลอคิด เ, เวลาปฏิบัติเนี่ยลืมตาอะไรทำนี่อย่าไปหลับตาทําลืมตาไปไกลๆแล้วเวลามันจะสลึมสลือนี่ให้มันรู้สึกมันนะอันนี้เราหลับไปเรื่อยยกมือไปเรื่อยกั คือมันไม่หยุดลืมตามันก็หลับแล้วสร้างยุวไปก็หลับไปถ้ามโนง่วงต้องเพิ่มสติเขาเป็นสองเท่ามันจะได้ทำให้มันเข้าถึงธรรมชาติที่มันไม่ง่วงแล้วมันก็จะหายหรอกแต่ถ้ามันยังไม่ได้มันก็จะหไม่หายเนี่พาพราทำแบบทําแบบนี้เนาะเห็นอาจารยว่าโลกทำมันจะง่ายๆนะทำนี้ ใช้ง่ า, งาแต่ถ้าแต่ถ้าตัวนี้กำเราจะลําบากนะเอาตัวนี้กรำนะ่ะจะลาบากแต่ถ้าเบร์นี่จะง่ายนะเพราะจิตเราต้องมามันต้องจ้องมาที่นี่นะ่ะแต่ถ้าเรายกมือเราทํานะี้มันจะหลับง่ายนะตาก็หลับไม่ต้องใส่ใจมันเป็นธรรมชาติแล้วใ น, นความเคยชินไงอยาให้มันชินลองดูดิําตัวนี้นะ ดตาก็ไม่เป็นนะใจมันออกไปนะหามันหาวิธีการให้มันมาจ้องอยู่กับเราเนี่ยให้รู้สึกว่าเราทําอะไรนี้มันผิดนะมันเผลอนะ่างนี้นะนี่มันไม่ผิดมันไม่เผลอไอ้สร้างจังหวะเนมันทําจนธรรมชาติแล้วเนี่ยยกมือสูงขนาดไหนกูก็หลับเหมือนเดิมมาอมันคุ้นเกินไปนะอย่าให้มันคุ้นไปนั้น เนี eh the, ad, ่ยทำยี้มันจะช่วยได้เยอะนะเมืงถ้าเห็นแล้มันง่วงลองทำเล่นๆดูดิเนี่มันต้องใส่ใจนะอันนี้ทีนี้ออกส้นการ์ใกล้ๆนี่มันมันจะไม่ง่วงอันนี้มันใกล้ๆเอาออกไปไกลๆดูดิเดี๋ยแล้วเร็วเข้าสลับไปสลับมามันจะช่วยได้เยอะ แต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้เขาแค่หายใจเล่นๆในความง่วงก็หายแล้วดูลมหายใจเฉยๆมันก็หายแล้วฟังง่วงมากกับพลิบตาหน่อยมันก็หายนี่เราไม่มีโอกาสไปคิดอย่างอื่นเลยนะเนี่ยถ้าคิดไปมันก็ลืมนะเนี่ยคือหาวิธีให้จิตมันโฟกัสกับเราคือทํา ให้จิตมันสั่งสองอันพร้อมกันมันจะลําบากขึ้นเมื่ี้เอาสามอันนี้สินี่ขยึกคิ้วไปด้วยขณะที่เคลื่อนไหปโอ้ให้มันสั่งหลายอันพร้อมกันแล้วมันจะไม่ออกนอกตัวแล้วมันจะไม่ว่วงเลยถ้าเราไม่ไม่พยายามพะไม่พยายามก็ติดสบายเอาอแบบนี้ไม่ได้ฟัวร์หลังนึกว่าเต็มไปด้วยเทคนิควิสาสนานี่เต็มไปด้วยวิธีการเอาชนะทุก์ สะเกียร์อิเต็มไปด้วยเทคนิคเต็มไปด้วยวิธีการของเรามันไม่มีทุกข์เข้ามาก็คือจอดเลยไม่ได้ต้มีความคล่องตัวถ้ามันยกมืออย่างนี้นะมันรู้สึกว้ามันหลับง่ายมันจำนานแล้วต้องทําอะไรมันเข้มกว่าเดิมใจมากกว่าเดิมใช่ เพ่งตีนี้พอเพ่งก็เพ่งมันเพ่งเกินไปเพ่งเลยมันเพ่งก็เพ่งไม่เป็นไรมันไม่มีผิดหรอกนะ <c oughs> เพ่งดูจ้องดูดูดูจ้องดูมันดิปวดหัวก็ป่อยมันปวดหัวตายเล ย, ย, เลยคนปฏิบัติธรรมที่ไม่ก้าวหน้าก็คือแบบไปตามเรื่อยๆนะั่ ยกไปง่วงง่วงไม่ง่วงก็งตามเมันไม่ได้สังเกตอะไรนะมันไม่จะเอาปัญญามาจากไหนปัญญาดับทุกจรจริงมันก็ใกล้ ๆ, ๆอยู่ตื้นๆเองวันนี้มันอาจจะใหม่ๆอาจจะมีคุ้นเคยถ้าเป็นอยู่ที่บ้านนะอากาศเจีวขนาดนี้โอ้ยเนาะไม่ปล่อให้ลอดมือไปหรอกเนี่ยลอดตา เก็บหมดแล้วเนี่ยอันนี้มันยังเสียดายอยู่ก็ไม่ว่าอะไรนะวันนี้พรุ่งนี้จะด่านะวันนี้ให้หลับได้อยู่ง่วงไปตามเรื่องนะคนไม่เคยมีคุนนะก็ไม่ค่อยหลับลุงตางก็ตื่นตั้งแต่ตี1นึ่งกว่าๆนู่นนะ กังจะนอ น, นจิตมันจะคิดเรื่องอะไรเนะี่ยพอจะนอนอีกเอามันจะคิดไปอีกโอ้ยลุกดีกว่าว่าเดินจะกลมเดินไปเดินมาเดินไปเดนมาถ้าสมมติว่าเรานอนถ้ามันฝันนะลุกกึ้นนี่ลบทิ้งแต่ดีเลยอย่ามานั่งฝันอะไรว่ า, อ, าอุปทานอย่าไปยึดมันทั้งลุก ตื่นนลบทิ้งทนันทีทำไม่รู้เรื่องเลยสร้างจากมันลบทิ้งอย่าไปคิดขึ้นมาให้มันลบหายไปเลยไม่มันมีอะไรเลยตัวจิตบอกว่า๋ย่ไปอยู่กับสัญญาเดิมๆเก่าๆคนเราก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะมันยึดติดกับนี่แหละอุปทานกับรูปเวทนาสัญญาบนนี้สังขารวิญญาณ ยกมือแรงๆแล้วสงเราก็ทั้งง่วงยกสูงๆงทำแรงๆจะมีสักเมืองทศ ก, กันเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์มากตานะทางนี้ก็ไว้ดูพระอันนี้ก็ดูโยมอันนี้มันต้องง่วงมาอีกนัยนีมาดูพระเขาก็เมื่อยทำงานจนมีนาทีสุดท้าย ต่อฟื้นต่อไฟทั้งนนทั้งนี้เวลามันง่วงก็มองไกลๆนะธรรมะก็คืออันนี้นะไอ้ที่พูดนี่ถือว่าเป็นมักนะเนี่ยมักมักแปลว่าวิธีการธรรมะมีมักกับผลนั่นแหละมักคือวิธีการวิธีการไม่ให้มันง่วงเนี่ยวิธีการทำให้มักบริสุทธ ถ้ามักจริงๆคืออะไรก็คือตัวรู้สึกตัวล้วนๆที่มันโปร่งใสขึ้นมาเนี่ยที่เห็นอยู่เรื่อยๆเห็นความคิดมันเกิดดับเห็นความง่วงมันดับไปอย่างเงี้ยเห็นความเบื่อความเหน่อยดับอะไรเข้ามายุ่งกับจิตไม่ได้เห็นจิตที่มันทผงใสไปเรื่อยๆเร่อยๆเนี่ยแสดงว่ามักมันเริ่มเดินละฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยมันจะง่วงพอมันง่วงคุณต้องเอาออกให้เป็นถ้าออกไม่ได้คือจอดพอดีแหละเนี่ย ถ้ามันไหวไม่ไหวจริงๆก็ลุกไปล้างหน้านะแอบยิกตัวเองข้างในนี่คนไม่เห็นหรอกว บ, บีดนมนะี่แทนที่จะมาสประงบให้คนเห็นก็นอายเขาทร้ายตัวเองก่อนสันดานนะแต่คนเห็นเยอะอยิงหลับนะถ้าอยู่บ้านคนเดียวอยู่กุฏิคนเดียวจะเป็นยังไงมนหลับยิ่งหนักคนนี้นะ ดวงอาทิตย์ขึ้นกำลังถึงจะมาเวียเพราไม่ไหวแล้วเนาะคือต่อสู้กับกิเลสเนี่ยเขาให้ต่อสู้ตอนที่มันกิเลสมันเกิดเนี่ยนะอย่างอย่างตอนเช้าเช้าเนี่ยเรานอนมันอิ่มแล้วมันพอแล้วหลังจากนั้นเป็นความคิดละหรือเป็นความชอบละอุ่นๆนี่น ะ, นะมันชอบมันพอใจในเวทนานีเราก็จะต่อสู้กับอดีตแหละ นี้เก็มสังเกตมันเอ้ยง่วงมาแล้วนะเนี่ยแต่ถ้าตอนมันสบายตอนกลางวันไปสู้กับอะไรก็ไม่มีกำลังลปัญญามันก็ไม่เกิดเพราะมันไม่ได้เอาชนะอะไรเลยตอนกลางวันเนี่ยมันก็ปกติอยู่เหมือนพวกเราอยู่ที่บ้านนั่นแหละเวลาเราอยู่ที่บ้าน เรไม่รู้สึกว่าเราได้สู้กับอะไรเลยเราไม่ได้ฝึกได้ฝืนนั่นจิตมันก็เลยไม่มีความเข้มแข็งสิ่งที่มันยึดติดมากที่สุดก็คือง่วงนี่แหละง่วงกับคิดสองอันกีเด็ดไม่มีสองอันนั้นแหละง่วงกับคิดแต่ทางโลกเนี่ยมันมันจะอาศัยเครื่องกระตุ้นแบบแบบรูปรสกลิ่นเสียงไม่ให้หลับนะ แต่ทางทำเนี่ยคือเราเอาสมาธิคือรู้สึกตัวเฉยๆนี้พยายาม่มัรู้สึกตัวเรื่อยๆแต่ไม่ให้มันหลับนะแต่ไม่ให้มันมีรูปมีรสกลิ่นเสียงมากระตุ้นเราไม่เอารูปรสกลิ่นเสียงมากระตุ้นความรู้สึกแต่เอาแต่สติเราเฉยๆนี่ไอที่เอาสติเฉยๆสติไปว่ารู้พลิกมือนีรู้พลิกมือรู้ ยกขึ้นรู้เอาออกรู้ลงรู้แล้วให้ตัวรู้นี่อยู่กว่าเรามากๆไอ้ตัวรู้สึกตัวนี่แหละที่มันจะไปชำะระล้างใจใจคือตัวรับรู้ตัวรับรู้น่ยคือจิตแต่ตัวรู้สึกว่ามันรับรู้เนี่ย น, นี่คือสติแต่เป็นภาวะเดียวกันนั่นแหละแต่มันอยู่มันทำงานคนละอันเหมือนมือกับตีนนี่แหละอยู่ด้วยกันเป็นร่างกายแหละแต่มันทาหน้าที่คนละอย่าง สองเาวะนี่เป็นแบบนั้นแหละที่เรามารู้ว่าตอนนี้จิตมันง่วงนะเนี่ยตอนนี้มันคิดนะเนี่ยพอมันคิดได้รีบรู้รู้เยอะๆพอรู้เยอะๆเยอะๆนี่มันจะลบตัวง่วงออกรู้เยอะๆนี่มันจะลบตัวคิดออกใหม่ๆนี่ก็คือต้องใช้เวทนาช่วยมันคือทำเองแรงบ้างอะไรบ้างกระตุ้นเยอะๆเหมือนนี่แหละนี่เข่าก่อนรับประทานนี่ มันตกตะกอนจิตเราอย่างมันตกตะกอนถ้ามันโก่ตะกอนมื่ก่อนนั่นเนาะแล้วก็เขยาบ่อยๆเขยาบ่อยๆเดี๋ยวจะฉันให้ดูนะพอขย่าบ่อยๆมันก็จะฟุ้งจิตมันสติมันจะทางานปกติสติเราไม่ค่อยทำงานนะมันหลบอยู่ข้างล่างมันไม่ค่อยทางานเวลามันความง่วงมางื้อเงืไปเนี่ยมาให้มันตื่นตัวฮะนี่ ยังไม่หลับพรางคุณลุงมองไกลๆมาด้วยกันเลยมองมาทางนี้มองมาทางนี้ยังไม่หลับมองมาทางพระนี่เออๆจะลงไปบิดแก้มเราแล้วเนี่ยมองไกลๆออมีศิลปะในการหลับไปออมองไกลๆเนี่ยเดูองนี่ดูพระให้หน่อยองค์ไหนหลับลงตาให้ห้าสิบบาทเอาดูให้หน่อย ดูพระดูพระรับรองพวกนี้ได้ไอเอโอแล้วเนี่ยนะฮองไหนยังหลับอยู่ก็เราก็เอาไว้ทั้งหลังนะแต่ข้างหน้านี้ก็คือหลับก็มีเหตุผลหลอกโยมเป็นนะะโอ้ยมันไม่ได้พักผ่อนโอ้ยอย่างนี้ น, นี่มีเหตุผลอ้างดีหรอ มองไกลๆมองไกลๆคือคือโยมทุกหลายอาจจะไม่คิดว่าไอ้ความง่วงเนี่ยมันออกได้คือเราออกให้ออกไปเลยนะน่นนะสามทุ่มเนี่ยถึงจะมันหลับนี่นะแต่ถ้าเราหลับอย่นี้ปุ๊บมันจะเหมือนอ่อนแอใส่สายมามันก็จะอยากหลับอีกค่าๆมามันก็อยากหลับอีกอยู่นี่แต่ถ้าเหมือนอันนี้มันเป็นอาการของโรคอะเนี่ยถ้าเรารักษาหายแล้วมันหายมันหายแล้วมันไม่ไม่เป็นอีกนะ อย่างนั้นว่าเรารู้จักมันเป็นแผลพอจะมาติดเชื้อพวกบเราก็ปัดออกเป็นถึงแม้มันไม่หายสนิทก็เป็นแบบนั้นแ่ะแต่ถ้าเราไม่ยอมรักษาเลยปล่อยมันซึมเข้ามาเรื่อยเชื้อโรคเนี่ยมันก็ติดพันุ์เราอยู่แบบนี้นะมันก็จะออกไม่ได้ดังนั้นเราก็สังเกต ด, ดูสลัดให้มันลดนะนี่ ง่ว ง, ง, งเป็นผู้หญิงลงุงตาก็เลยจะหมดเวลาแล้ว7วันแ ล, ล้วลุงตาเลยโยมจูบอันนี้ให้หน่อยลองุงตาว่าเกตุตาตั้งว่าอะไรวะพระลุงตาจูบขี้โม่งห่วให้หน่อยว่า <c oughs> มันเป็นหวัดอยู่เรื่อยนะเดินมาเหมือนๆเลยบอกว่าแกจูกขี้โมดให้รู้ละสิบลงตาวใคห็โอ้ยแกอาเจียนตรงนั้นเลยนะว้กนั้นจะไม่ได้จูบนะนไม่ได้จูบไม่แกคิดอะไรปรุงแต่งมากไอเจียนที่ได้ไม่ง่วงเลยที่แรกแกก็ขยัข ย, ย, ยั ง, งตาเดินไปใกล้แกก็ไม่ไหวที่นนะไรู้จะพูดอะไรอะ่ะให้แกตื่นหน่อยนะเพราะว่าที่เอาอยู่เรื่อยอยู่ตอนี้ เสียภาพพศก็จ้งมาแล้วว่าจูบไปนี่ให้หน่อยลงุงตาตกใจเลยนึกว่าให้จูบเราไม่ใช่จูบขี้โม่ของให้หน่อยตั้งแต่นั้นมาแจว่าเพราะมันจะง่วงนึกถึ ง, งติดจูบขี้โม่ไม่หลับสักทีเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแกว่าที่แรกแกก็โกรธลงตานะแต่วันสุดท้ายแกมากลาขอพระคุณนะแกว่าแกจะไปใช้ตลอดไปทั้งชีวิต นัยมก็เอาไปใช้ก็พอไดนะ้นึกหน้าถึงหน้าแล้วมันโอ้ยไม่ไหวแล้วเนาะคือจิตเราเนี่ยมันมันจะมีจุดของมันอยู่เนะี่ยให้มันตื่นนะ่ะแล้วแต่มันจะตื่นตื่นจากอะไร อ, องค์คุลิมานเนี่ยตื่นนิดเดียวเองนะเที่ยนแต่ว่าพุทธยว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดอย่างเี้ยทนก็ตื่นละพูดอะไรน้อ ย, นอยเนี่ยมันก็ตื่นละ เราหยุดแล้วยศยศ อ, อย่าวิ่งอระรเงียะ้าพเจ้าตามไม่ทันเนี่ยท่านสมณะเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดโกหกเป็นสมณะโกหกได้ไงเนี่ยเราหยุดทำบาปรำคำแล้วอุ๊บทันทีเลยนะวางดาบนเนี่ยคนมันอยู่ตื่นปัญญาเขาตื่นตื่นเอนงนนของเรานี่ดา่าพ่อเล่าแม่ก็ยังจะไม่ตื่นอยู่นั้น ถ้าอีปอบเนี่ยหลับได้หลับดีก็เหมือนเดิมด่าได้ด่าไปกูปล่อยวางปล่อยวางแล้วมันปล่อยวางคนละเรื่องกันนะไม่ไม่ใช่ปล่อยวางอันนี้เนี่ยเธต้องคิดดีๆนะอันนี้มันเป็นเหตุผลของกิเลสนะไม่ใช่เหตุผลของธรรมะนะที่ปล่อยวางแบบนี้นะฉันทำยังไงมันจะออกได้กลางวันนี่ยอยาให้หลับลุงตาบอกก่อนก็ได้เคล็ดลับการรู้ธรรมะเนี่ย คือปล่อยให้มันง่วงเยอะๆเลยนะถ้ามันง่วงมาเยอะๆเนี่ยจะไปกลัวมันฝืดมันงวงก็จังแมวเนี่ยลุยไปเลุยไมันจะมีจังหวะหนึ่งออกังแรงเลยปุ๊บออกไปเลยแล้วมันจะสว่างเลยนะมันจะสว่างเลยมันจะแจ้งเลยมันจะสบายหลังจากนั้นเหลือห้าหวันเนี่ยพวกเธอสบายเลยไม่ง่วงเลยต่อไปนะ คือถ้าให้ถึง่วงมาปล่อยมันมาเลยมาเยอะๆเดินเข้าเดินเข้าเดินเข้าแต่จะไปนั่งให้มันมาเด้แต่ก็ทําความเพียรไปเรื่อยเนี่ยมันเข้ามาเข้ามานะจังไปถึงจังหวะหนึ่งทำแรงๆคือรวบรวมสติทั้งหมดกระแทกออกไปคล้ายๆว่าพุ่งออกไปเลยเหมือนถีบประตูบ้านออกไปอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะโล่งโปร่งแบบไม่เคยเป็นมาแต่เกิดนะแล้วจะเกิดปีติเ อ, อิบอิ่มซาบซ่านขึ้นมา แต่ถ้าเราห่วงกันมาล้วก็ไปงดจิดกันมันไปเบื่อไปไหนมันนี่นั้นยิ่งแย่คือต้องเห็นว่ามันเป็นอนัตตานะมันไม่มีตัวตนนะความง่วงเนี่ยมันเป็นสภาว่าจิตของเราที่ที่เราไม่รู้จักฝืนนะพอถึงจังหวะฝืนเต็มที่เลยปลวกเอาไปเลยมันจะออกได้เลยมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าไม่รู้จักเขียดลับมันก็จะง่วงนั่นแหละ คนเขามีสติปัญญาแล้วเขาก็ดูมันเฉยเฉยอย่างเงี้ยดูมันเฉยเฉยไม่ต้องฝืนอะไรมากมันง่วงมาก็ดูออกมันคิดมาก็เห็นมาเวลามันง่วงจัดๆนะสําหรับคนไม่เคยมานะไม่เคยปฏิบัติทำเนี่ยพอมันง่วงเราต้านความง่วงแล้วไปเดินจูงมันจะอยากอาเจียนปวดหัวนี่อากอาเจียน ได้กินอาหารอะไรนี่ก็จะอาเจียนไปหมดะจะวินเวียนไปมดเพราะอะพอวะว่าอันนี้คือเกิดจากการต้านความ่วงต้านความคิดใหม่ๆเราไม่ชำนาญมันมันจะเกิดอาการแบบนั้นขึ้นมาไม่ต้องมีกินยกกินยาอะไรนะบางทีเวลาเส้นจมูกไปากหารเรื่องตลกตลกมากอะไรสักน้อยแล้ก็หาย แต่ว่าต้องออกให้ได้เนะี่ยสบของที่เอามาใช้นะ่ะพอเลิกใช้แล้วต้องวางเก็บไม่ได้นะคือเอาความตลกมาแก้งง่วงก็เอามาแล้วก็ทิ้งให้มันเป็นนะไวๆนะถ้านั้นมันจะติดพันนานที่ผ่านมานะด้วยประสบการณ์เนี่ยคนใส่แว่นตาเนี่ยจะคือคนหลับเก่งนะจริงนะพวกเธอระวังตัวไว้ด้วยนะพวกที่ใส่แว่นตาเนี่ยหลับ ราปฏิบัติธรรมเนี่ยคือมันจะหลับนะยิ่งถ้าคนใส่ยแว่นตาดำเนี่ยยิ่งหลับดี <c oughs> นั้นก็ระมัดระวังเอาคือกิเลสมันจะไปหลบอยู่ตรงนั้นเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนที่จะนบ่บอยวๆนั่งใครรู้สึกว่านั่งแล้วรู้สึกว่ามันเบานั่งมันบางไปนั่งไม่สะดวกเก้เาตรงนั้นนะ ไปหยิบเอาก็ได้สองงินแต่ไม่ให้เกินสองเงินนันไปพับพับนั่งลองก้นได้ใครมีหมอนก็มาลองก้นได้มันสูงขึ้นใช่พรามันจะช่วยกระดูกสัหลังมันตรงก็นั่งสะดวกไม่ปวดดวงตา ย, ยังจะได้ใช้สติรัดเอวอยู่เนี่ยนั่งแล้วมันเตีย้ยลงเตี้ยลงไปเลยแล้วก็ปวดเอว ถ้าเป็นญี่ปุ่นนะถ้าเขามีน้ําตกอันนี้นี้หลับนี่เขาบังคับเลยเนะี่ยตากน้ําตกแช่น้ําตกเลยนะ่เนี่ยญี่ปุ่นก็ฝึกกรรมฐานแบบแขวนสํารวจอยู่นี่ถืออยู่ใครง่วงตีกอกหูเนี่ยมันมีล้มตาปแปลไม่เป็นก็เลยให้คนที่เขาถนัดภาษาญี่ปุ่นแปลเนพะื่อเขาฝาความไม่ถึงดังนั้นน่าจะบรรลุไว <c oughs> เราจะมาดูกันโอ้เขาเอาปลานี้เลยเหรอไหนนะดูออกมึงคนนี้นั่งสมาธินั่นหลับตาสู้กับความงงจนสั่นนะคือจะออกจากความงงให้ได้ในจนสันนะ่นแหละเพราะฝืนมากๆพอเรามาันมีแต่จะสั่นหลับก็้วนี่ยนนะี่หกโมงนะ 6 โ, โมงยังไม่สว่างหก โ, โมงครึ่งก็ยังไม่สว่างนะที่เนี่ยหก โ, โมงสี่สิบห้าแล้วนะยิงได้อยู่ที่วัดก็ประมาณสักหกโมงกินข้าวต้มแล้วปล่อยไปแล้วอันนี้มันปล่อยไม่ได้มันจะเข้าเต็นนะน <c oughs> ก็ต้องนั่งเฝ้ากัอนอยู่นี่ไปเรื่อยๆก่อนโทรศัพท์ปล่อยไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันยังไม่สว่างเนี่ยเอาเวลานอกไปใช้รับชันเวลาอย่าลืมนะใครยังใครมีโทรศรัพท์อยู่กับตัวก็มาฝากไว้มาเก็บไว้บางคนก็อ้างว่าเอาไว้ในรถแล้วไว้ในรถเอากุญแจมาฝากไว้ ก, กีเรียดเนี่ยลูกเหลี่ยมมันน้อยไปนะเวลามันฟุงซาดขึ้นมามันเอาไม่อยู่นะเหตุผลมันมากมายถ้านั่งเราก็เปลี่ยนเรื่อยๆเดี๋ยวนั่งคัศมะดบ้างนั่งผับเพียบบ้างผ่บเพียบซ้ายบ้างขวาบ้างไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันดีขึ้นหรอกนั่งโค้กเข่าบ้าง อ, อะไรประมาณเนี่ยแต่ต้นทํานี่จะไปดูคนอื่นเขาดูเรานี่ ดูความรู้สึกตัวนี่ว่ายกนี่มันรู้สึกไหมไม่ใช่เอาพอไม่ง่วงเฉยเฉยนะสติต้องอยู่กับตัวเองนั้นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นสายตาเขาจะสํารวมถ้ามันมองดูนนคนนั้นคนนี้โอ ย, ยอยากนี่ยากคือจิตที่มันส่งออกนอกไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้สมุทัยเป็นตันหาขึ้นมาแต่ถ้าจิตเราส่งเข้าในนะจะได้เห็นสมุทัยคือเห็นทุกข์ ตามหลักของอริยสัจว่ามันปรากฏยังไงเนี่ยตอนมันสบายอยู่นรีบทำเลยยิ่งได้สติเยอะมากเข้ามากเข้าสติต่อเนื่องมากขึ้นเวลาความคิดมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเลยะนะมันจะทํางานเลยมันจะสลายตัวตัณหาสว่างแจ้งขึ้นมาทันทีฮลกุกแต่ละยานแตละยามันจะเยอะขึ้น แต่ก่อนไอข้างหนึ่งก็หายนี่ไอหลายชั้นหนึ่งเ <c oughs> ก็บแก้เจ็บขาก็เจ็บเยอะขึ้นนะมันี้เหมือนเดิมนะเขาบอกว่าปฏิบัติทำไว้เตรียมตัวไว้ชาหน้าเลยชาตหน้าเวลาเราตายจากชานี้คือตายจากความเป็นหนุ่มไปสู่ความเป็นคนแก่เนี่ย <c oughs> คดีมันเสืมเนื่องไปแล้วสติเราจะรู้สึกว่าเรามันควบคุมได้คือมันไม่ปทุกข์กับมันชาหน้ามันเป็นยังไงเราก็เฉยกับมันได้ชาติหน้าก็คือปัจจุบันนี้อดีตแต่ชาติผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้คือชาหน้าของอดีตนั้นเราก็เฉยกับมันได้เราก็ไม่ไปทุกข์กับมันได้ปล่อยได้ แต่ถ้าสติเราไม่พอนะเราทุกข์มากทุกข์กับร่างกายสังขานแล้วก็อยากเอาคนมาเฝ้าออเราอีกต่างหากคนนั้นอยากให้คนนั้นมาดูแลคนนี้มาเอาใจใส่มันไปทุกคนมีนตกกังวลไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีอุปทานกับขันเนาแต่ร่างกายนี่มันมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรากธรรมชาติมันต้องเป็นธรรมชาติของสังขารเนี่ยมัน มันต้องไหลไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายทีนี้หลายๆคนนะมีความรู้สึกว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้งความหวังเาไว้คนไหนยังไม่หวังก็ให้ตั้งหวังไว้เลยนะว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อดับความแก่ความเจ็บความตายแต่ใขณะเดียวกันก็ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วก็คือความสะดวกความสบายแต่ถ้าเป็นสมณะพรามก็จะเป็นพระสงอะไรเนี่ยก็จะเกิดลาบสักระจือเสียงตามมาสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคเรื่อย ๆ, ๆนะอุปสรรคอะไรอุปสรรคไม่ให้มีการพัฒนาสติต่อไปอีกเนี่ย เราลืมซะว่าเราปฏิบัติทาเพื่อดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราปฏิบัติทาเพื่อจะถอนอุปทานในในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนีย่แต่เราเอาไปมาเรามาติดผูกพันกับพวกนี้เราก็จะออกไม่ได้ติดลาบยศสลรเสริญชื่อเสียง ติดลาบสักระติดศีลติดสมาธิติดปัญญาอันนี้คือไม่ใช่แก่นแท้ของธรรมะเพราะสุดท้ายคือเราดับทุกตัวเองไม่ได้อยู่ดีฉนั้นต้องหมัน่นต้องขยันที่นี่ก็ถือว่าเป็นสนามฝึกแหละเราก็ตั้งใจฝึกเอามันอยู่ที่เราน่ยแหละ อิเล็กก็อยู่ที่เราธรรมะอยู่ที่เราสวรรค์อยู่ที่เรานิพพานอยู่ที่เราลองดูดิลองฝึกอยู่กับภาวะที่ไม่ปรุงแต่งไม่ไหลไปกับความทุกข์ไม่ไหลไปกับความคิดนะนะคือไม่ให้มันเป็นนรกในขณะเดียวกันไม่ให้ไหลไปออกับความดีใจความยินดีความพอใจความสบายก็มยมไม่ให้ไหลไป เป็นสวรรค์ไม่ใช่ในโกแต่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับภาวะเฉยๆอยู่ตรงปัจจุบันรล ะ, ล ะ, ละลึกรู้เฉยๆทํงานมันจะอยู่เฉยๆเป็นเฉยๆนี่คือจุดประสงค์เริ่ม ต, ตั้งต้นของมรรคที่จะไปอยู่สู่นิพพานตรงนี้ไม่ใช่ไปพอใจไม่พอใจไม่ใช่แต่รู้สึกเฉยๆแต่พอใจเกิดขึ้นรู้ไม่รู้แต่จะเข้าไป ไม่พอใจก็เห็นมันเฉยเฉยอย่าเข้าไปรู้เฉยเยง่วงก็รู้เบื่อก็รู้คิดก็รู้รู้เฉยเฉยรู้ระวางรู้ระวางวางมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นพอใจไม่พอใจเป็นอาการของสมมุติที่มันมันติดกับจิตเราเนี่ยที่เราวริสัทมากขึ้นมากขึ้นจิตมันจะบริสุทธิ์ของมันเองท่านพวกนี้สมมุติที่มันจะหายไปแต่ใหม่ๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกก็ขึ้นมาอีกงั้นเราต้องทนทนต่อการชำระจิตเนี่ยที่จะลึกรู้เอาความรู้สึกตัวเนี่ย สู้กับมันนั่งสู้ไม่ได้รู้สึกตัวไม่พอกระทืบเท้าเดินรู้สึกไปแล้ลึกรู้เดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยเราลึกรู้เยอะๆถ้ามันยังหลับอยู่โดยนิสยัยโดยอะไรนั่นสิ่งที่ปรากฏในจิตนะที่ไม่ให้มันจิตมันบริสุทธนะิ์เนี่ยยีตัวปัจจัยเราเข้าไปสลัดมันออกแต่เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิต น, นั่นเองเฝ้าอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องไปหาเหตุนะผลว่ามันเกิดจากอะไรยังไงไม่ต้องยุงมันนะอะไรเข้ามาก็สละลออกอะไรก็สละลายออกเฉยๆแล้วก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆและนี่โดยเฉพาะอะไรที่เราเคยชินอะอะไรที่มันเคยชินมันเป็นเหตุผลเข้าข้างตัวเองเลยมันคิดว่ามันเป็นความจําเป็นอันนั้นอนะมันเป็นความจําเป็น แล้วสังเกตอยู่ถ้าเรามีโอกาสได้ทำอะไรที่อย่างเราเคยชินเนี่ยแล้วจงไวมากจะเร็วมากเพราะมันมีเชื้อของอาสวะอยู่ข้างในฉันั้นเวลารู้สึกนึกคิดหรือทำอะไรประเภทนั้นมันจะเร็วมากเพราะเราทำตามความเคยชินของเราเองแต่เราก็คิดว่าเราเคยชินนะไม่มีโทษอะไรมากกว่านั้นอันนั้นแหละคือเหตุผลที่ไม่ให้จิดเดชมันหลุด เอา้มอมามองไกลๆมองไกลๆเนี่ยมองมาทานี้นี่โดนเป็นเจรัญเนี่ยทำางไงถึงไม่ง่วงเนี่ยอืมเนี่ยขนาดแก่แล้วนะเนี่ยเขาทำเป็นเนึองว่านอนมาจนอิ่มแล้วพอแล้วอายุมากกินม า, มากแล้วง่วงไม่ใช่เนาะฝืนเอานะถ้าปล่อยก็หลับอยู่นะอืมอือื นั่งรถไกลเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่วิตกกังวลเหรอเพราะว่าไหวไม่น้ออะไรประมาณนั้นไ ม, นนนไม่ไม่เมารถนะโหฝึกสติเลยเห็นไหมเมาน้อยลงไม่ได้คนแก่มาด้วยสักคนเหรอรุ่นเดียวกันนะ่ะเห็นพาชมลมกลุ่มเขารุ่นเดียวกันไปหาลุงตานะนะ เขาจะชอบทําบุญเนาะมันคือแเนี่ยอบาทำบุญมันไม่อยากทําภาวนาเนาะอันนี้ทําให้จิตเราที่ก็ทําบุญนี่แหละอันนี้นะแต่ว่ า, าทําวิธีรักษาบุญไม่ให้เน่าบุญก็คือความปกติของจิต <c oughs> ทีนี้ทําังไงมันจะไม่เน่าบุญก็คือเนื้อไปหาเนื้อมาได้แล้วเนื้อเนี่ยจะไว้กินนา น, าน วิปัสนาเนี่ยเหมือนเกลือหาเกลือมาแล้วหมักไว้ไม่มันเน่าตาไวเก็บไว้กินานานปีหน้าปีในชาตินี้ชาติหน้าได้สบายคือจิตปกติปกติเนี่ยสบายๆเนีย่ยมันเป็นบุญโอ้เป็นบุญช่นนเนี่ยได้ลูกดีได้ลูกดีคือใจเราก็ดีด้วยเนี่ยโอ้เป็นกรรมช่นะได้ลูกชั่ว นี่เราปฏิบัติทมเราก็ให้จิตมันดีๆดีๆโดยที่ที่แบบไหนล่ะที่มันไม่ต้องมีอะไรก็เลยก็รู้วิธีจะทำให้ใจมันดีได้มันเป็นบุญขึ้นมาได้เองโดยธรรมชาติแล้วรู้จักวิธีรักษาบุญใน น, นี้ได้นานๆด้วย